มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหานวมะวักปริณิพุตานังเจติเยปาฏิหาระปัญหาที่สองถามว่าพระอรหันติพานมีปาฏิหารที่เชิงตะกอนทุกๆองค์หรือ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมิทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชาตกว่าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายเมื่อท่านเข้านิพพานไปนั้นมีอัศจรรย์ที่เชิงตะกอนในเจดีคือเม น, นั้นมีทุกพระองค์หรืออุทาหุหรือว่าบางพวกมีอัศจรรย์บางพวกไม่มีอัศจรรย์ในวงเล็บ อัศจรรย์คือปาฏิหาริย์พระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชะดุราณะบพิษพระราชสมภารบางพวกมีปาฏิหาริย์บางพวกไม่มีปาฏิหาริย์สมเด็จพระเจ้าวิริลภูมินทราธิบดีมีพระราชโองการตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญพระอรหันต์พวกใดมีปาฏิหาริย์พระอรหันต์พวกใด ไม่มีปาฏิหาริย์พระนาคเสนจึงถวายวิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิธพระราชสมภารปาฏิหารมีสามประการอันว่าปาฏิหารสามประการนั้นเป็นด้วยบุคคลสามจำพวกอธิษฐานไว้คือพระอรหันต์เจ้าเมื่อท่านจะเข้านิพพานนั้นปราถนาจะให้เป็นประโยชน์สุิีผลแกน่นิกรประชาชน ให้ทรงสักการะกะเลวระของท่านจึงอธิษฐานไว้ว่าจิตตะกายยังปาติเหรังโหตุอันว่าเชิงตะกรศพอัตมาจงมีปาติหารเถิดพระอรหันติอธิษฐานแล้วเสด็จเข้าสู่พระนิพพานเหตุดังนี้เชิงตะกรพระอรหันต์จึงมีปาติหารประการหนึ่งปุณณจะปรังอีกอย่างหนึ่งนั้นมหาราชา ขอถวายพระพรบพิธพระราชสมภารผู้ประเสริฐเทวดาเห็นว่าบูชาศพพระอรหันต์ประกอบด้วยผลเป็นอันมากยิ่งนักหนาปรารถนาจักให้เป็นประโยชน์สดที่ผลแก่เทวดาและมหาชนให้บังเกิดศรัทธาประสันนาการจึงอธิษฐานว่าขอให้เชิงตะกอนแห่งศพพระอรหันต์นี้กระทาปาฏิหาริย์เถิด ประเวณีธรรมจะเกิดจำเริญมนุษย์เทวดาเห็นปาฏิหารจะศรัทธาประสันานาการทุกคนกุศลจะจำเริญด้วยปาฏิหารนี้เมื่อเทวดามีฤทธิ์ตั้งจิตอธิษฐานดังนี้จิตตะกายังอันว่าสังเขปเชิงตะกรศพพระอระหันต์ก็มีปาฏิหารเป็นคำรบสองปุณะจะปรังมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร ยังอีกประการหนึ่งนั้นอิทิวาปุริโสวาคือสตรีภาพก็ดีบุรุษก็ดีสัทโธมีจิตศรัทธาปันดิโตมีปรีชาชาติพยาโตฉลาดเมทาวีเป็นปราดมีเมธาพุทธิสัมปันโนประกอบด้วยปัญญาโยนิโสวิจินตยิตรวา จึงมาคิดโดยอุบายปัญญาแล้วก็อธิษฐานคันทางวาซึ่งของหอมก็ดีมาลังวาซึ่งดอกไม้ก็ดีทุตสังวาซึ่งผ้าก็ดีสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามแต่จะได้จิตะกายังปักขิปฏิจึงเอาของนั้นใส่ลงในเชิงตะกรว่าจงเป็นปาฏิหาริย์เถิดขณะนั้นอันว่าเชิงตะกรศพพระอรหันต ก็บังเกิดเป็นปาฏิหาริย์ด้วยอธิษฐานของสตรีภาพและบุรุษอันมีศรัทธามีปัญญานั้นเป็นคำรบสามนี่แหละเชิงตะกอนพระอรหันต์เข้านิพพานเป็นปาฏิหาริย์ด้วยเหตุสามประการนี่แหละท่านว่าพระอรหันต์ผู้เข้านิพพานแล้วเทวดามนุษย์ไม่อธิษฐานดังพนานามนี้แล้วถึงว่าจะเป็นขีณาศพ มีวสีชำนาญในอภิญญาหกประการหรือเป็นพระอรหันต์วิเศษเข้าพระนิพพานก็ดีถ้าว่าปราศจากอธิษฐานแล้วอันว่าเชิงตะกอนนั้นไม่มีปาฏิหารเลยขอถวายพระพรอธิษฐานเนสติเมื่ออธิษฐานสามประการดังวิสัชนามนี้มีผู้กระทำแล้วมนุษย์ทั้งหลายได้เห็นปาฏิหารที่เชิงตะกอนนั้น ก็พากันเชื่อว่าพระพุทธบุตรนี้เข้านิพพานก็บังเกิดประสันนาการเลื่อมใสศรัทธามหาบาพิษพึงทรงพระสันนิฐานเข้าพระไทยด้วยประการชนิสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชโอการตรัสสาทุการว่าสาทุพันเตข้าแต่ผู้เป็นเจ้าสัมปติฉามิโยมจะรับเอาถ้อยคาจาไว้ เป็นข้อปฏิบัติต่อไปในการนี้ปรินิพุตตานังเจติเยปาติหาระปัญหาเป็นคำรบสองจบเพียงนี้